เสร็จแล้วก็นำเข้าไปในภายภายในพระนครว่าวนำพระธาตุเข้าไปในเมืองวางไว้บนรัตนบัลลังก์ที่ทำด้วยรัตนเจ็ดประการณสันทาขานตั้งกั้นสเวตชัติเอาไว้เบื้องบนกระทำอย่างนี้แล้วเจ้ามาละเมืองกุสินาราก็ใหทท้ทหารถือหอกเป็นลูกกรง ให้ทหารถือธนูเป็นกำแพงล้อมที่สันธาคารบูชาพระสรีรักของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการฟ้อนรำขับร้องประโคมด้วยดอ ก, ดอกไม้พวงมาลัยของหอมเจวันเนยนะว่าจัดกองทัพเรียงสวมเกราะปว่าป้องกันอย่างดีเลยชนิดที่เรียกว่านกก็ไม่ให้บินผ่านมาสิโฉบเอาไปเนี่ยนะทีนี้ถามว่าทำไมเจ้ามาละเนี่ยจึงมาทำบุญบูชาพิเศษท่านบอกว่าสัปดาห์สองสัปดาห์แรก ก่อนหน้านี้เจ้ามาละเหล่านั้นเนี่ยมัวแต่จัดที่นั่งที่ยืนสําหรับภิกษุสงฆ์จะมันจัดอาหารเคี้ยวของเคี้ยวของฉันถวายก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสได้มาทํำสาธุกีฬาไม่ได้มาบูชาอย่างที่ใจอยากจะบูชาพอทํากิจเสร็จแล้วก็บูชาอย่างที่อยากจะบูชาตลอดเจสัปดาห์ทีนี้ระหว่างบูชาพวกเจ้าเหล่านี้ก็มาคิดว่าแม้ใครๆรู้ว่าพวกเราประมาทก็มายึดเอาพระาธาตุมาขโมยเอาพะาธาตไปหมดเนี่ยนะเป็นฐานะที่จะมีได้ก็เลยจัดกองรักษาการเนี่ยนะ ก็เรว่าตั้งกองทัพมาเพื่อรักษาพระาธาตุเลยที่นี้ฝ่ายพระเจ้าอาชาติศัตรูที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะพระเจ้าอาชาติศัตรเูเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยขึ้นทรงทราบเรื่องแล้วได้ยินว่าเหล่าอมตของเท้าเธอครั้งแรกทีเดียวคิดว่าธรรมดาพระศาสดาปริเรศนิพานแล้วใครใครก็ไม่อาจนาพระองค์มาได้อีกแต่ก็ไม่มีผู้เสมอเหมือนกับ พระราชาของเราด้วยศรัทธาของปุตุชนปุตุชนที่มีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่มีใครเกินพระเจ้าชาติศัตรูอีกแล้วพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยเลื่อมใสมีความรักในพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างเรียกว่าสุดซึง้งว่างั้นซึ้งขนาดไหนมาดูแล้วกันถ้าพระราชาพระองค์นี้สดับพูดแบบง่ายๆตรงๆว่าพระองค์ปรินิพานแล้วใจของเท้าเธอต้องแตก หัวใจวายตายแน่ว่างั้นน่ะนะรักพระพุทธเจ้ามากขนาดนั้นนะฟังไม่ได้เลยฟังคําว่าทําลายไม่ได้หัวใจวายเลยแต่พวกเราควรจะรักษาพระราช า, าไว้ดังนี้พระราชาเหล่านั้นเอออมรรตก็เลยให้นํารางทองมาสามรางเรียกว่าเป็นรางทองอ่ะ น, นะบรรจุของอ ร, อ, อร่อยอร่อยไว้เต็มเสร็จแล้วก็นําพระราชามายังสํานักกราบทูลว่าเทวะอันนะพวกข่าพระองค์ฝันไป เพราะฉะนั้นความฝันอันนี้พระองค์ควรจะทรงภาพเปลือกไม้สองชั้นแล้วก็บรรทมในรางที่เต็มไปด้วยของอร่อยๆสี่อย่างพอที่นาสิกคือจมูกโผล่กันนั้ น, น, นไม่ต้องใครว่านอนจุ่มแช่เลยแบบนั้นแช่อะไรแช่น้ําเย็นของหอมแต่จะเย็นจะเยือกเนยนะเพื่ออะไรเพื่อขจัดความฝันคือฝันร้ายมากะนะเพราะฉะนั้นพระองค์ต้องแก้เคล็ดแบบนี้ยวิธีแก้เคล็ดให้ประาชาชนก็เชื่อ ก็เลยพระราชาพอฟังคําอํามาศพระหวังดีก็รับสั่งเออเอาสิเอาสินไม่ขัดคอนะก็กไปนอนแช่น้ําสบายอํามาศผู้หนึ่งก็เปลื้องเครื่องประดับสยายผมผินหน้าไปทางศาสดาปรินิพานยกมือท่วมประคองอัญชลีกราบถูลพระราชาว่าพระเจ้าค่าขึ้นเชื่อว่าสัตว์ผู้หลุดพ้นจากความตายหามีไหม พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้เจริญด้วยพระชนมายุเป็นเจติยสถานคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเจริญด้วยอายุเป็นเจดีสถานเป็นบุญยเขตเป็นแท่นอภิเศกเป็นภาษาสดา ข, ของเราทั้งหลายพระองค์ปรินิพ่านแล้วณนะกรุงกุสินารา ประราชาพอฟังได้ยินอย่างนั้นก็สลบเลยวิสัญยีภาพสลบเลยก็เรียกว่าปล่อยไออ่นในรางที่เต็มไปด้วยของอร่อยอย่างสี่อย่างนั่นร่างกะ้็เรียกว่ามันแหมมันระบายความร้อนออกมาเต็มที่อย่างนั้นเถิด้็เรียกว่าไข้ขึ้นชนิดที่เรียกวม่ใช่ขึ้นธรรมดาขึ้นจนเป็นลมนะก็เรียกว่าไอออนเนี่ยออกมาในรางนั้นเลยอ่ะคือจริงๆแล้วพระเา้าชาติศัตรูเป็นคนที่มีพละกําลังมากเป็นคนที่แข็งแรงมากนะแกกระโดดขึ้นได้สิบแปดศอกเป็นอย่างน้อยเนี่ย กระโดดได้เก้าเมตรอ่ะกระโดดได้เป็นเก้าเมตรสิเมตรน่ะแข็งแรงขนาดนั้นนะแข็งแรงมากเลยมันเป็นคนที่มีพะละังกาลังมหาศาลและก็คือคือแมบบ้คนอย่างนั้นเนี่ยเป็นลมเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมแสดงว่าเรื่องนั้นต้องกระเทือนใจขนาดไหนเพราะจริงๆแล้วเป็นปกติแล้วเป็นคนใจเด็ดใจหิว ม, มากๆเลยนะแต่ก็ก็อย่างว่านะเป็นคนที่รักพระพุเทธเจ้าที่สุดอันดับหนึ่งว่างั้นเถอะในฐานะวิสัยปุตุชนปุตุชนด้วยกันเนี่ยการเลื่อมใสอันดับหนึ่ง ก็เพราะถ้าหากว่าไม่ฆ่าพ่อจะต้องเป็นพรสโสดาบันน่ะศรัทธาของกันเฉียดจะเป็นโสดาบันอยู่แล้วว่ากันเพราะนั้นในวิสัยของปุถุชนนั้นผู้ที่มีความรักต่อพระพุทธเจ้าพระเจ้าชาติศัตรูนั้นคนหนึ่งทีนี้อมมาศ พ, อ, พอระบายความร้อนไประดับหนึ่งก็เปลี่ยนรางเป็นรางที่สองพระราชาฟื้นก็ถามว่าเพ่อนี่พวกเจ้าพูดอะไรกันเมื่อกี้พูดอะไรกัน ก็เล่าให้ฟังงนะบอกว่าสัตว์ผู้หลุดพ้นไปจากความตายเนี่ยหามีไม่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้เจริญชนมายุเป็นเจติยสถานเป็นบุญยเขตเป็นแท่นอภิเศกเป็นศาสดา ข, ของเราทั้งหลายปรินิพานแล้วนะกรุงกุศินาราประชาพอฟังอย่างนั้นก็เป็นฟีสันยีภาพสลบล้มเป็นลมเบกเลยนะปล่อยไออ่นลงจากรางของอร่อยทั้ง4อย่างก็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 จำได้เข้าใจแล้วเป็นลมมาสามครั้งแล้วนะจำได้เข้าใจแล้วว่าท่านพูดอะไรกันลุกจากที่ประทับนั่งสยายเกษาที่มีสีเหมือนแก้วมณีอบด้วยของหอมนอนทอดพระปิดแสดงก็คือนอนงายเลยแหละกระวัตหลังเหมือนแผ่นทองคําเอาฝ่ามือเนี่ยตบอกเลยแบบนั้นน่ะนอนงายก็คือนอนแผ่ตบอกตัวเองเลยว่าจับพระอุระที่มีสีเหมือนผลตำลึงทองคํา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 แล้วพระองค์ก็ล้ำลึกถึงพระพุทธคุณคุณของพระพุทธเจ้าสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าหกสิคาถาเครียกว่าอะไรนะคือค่อยๆ ค, คิดชมไปเรื่อยๆเื่อยๆเล ย, ยนะชมพระพุทธเจ้าหกสิบคาถาก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งนะเรียกว่าคําชมปฏิพานไหวพริบกระยี่ยมมากนะคนฉลาดมากอยู่แล้วเสร็จแล้วพระองค์พระเจ้าชาติศัตรูก็ดําเนิว่าอะไรอะไรย่อมไม่สําเร็จได้ด้วยการปริเทวนาการของเรา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 เสด็จออกไปด้วยพระองค์เองไปด้วยตัวเองเลยนะ น, นะยกกองทัพไปสี่เหล่าเลยนะสี่ทัพเลยยกสี่ทัพไปเลยแม้เจ้าลิชวีก็ส่งทูตไปเหมือนกันเนี่ยนะพร้อมด้วกองทัพสี่กองทัพบรรดาศัตริย์ลิชวีเมืองไผ่สาลีได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานแล้วในเมืองกุสินาราก็เลยส่งทูตไปหาพวกเจ้ามัละในเมืองกรุกรงกุสินาราว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นกษัตริย์แม้เราก็เป็นกษัตริย์เราควรจะได้ส่วนพระศรีรัตของพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างเราจะได้ทําพระสถูปและการฉลองพระศรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้านักษัตริย์กลุ่มที่สองก็ยกกองทัพไปอีกสี่กองทัพไม่ได้ก็ต้องสงครามก็ต้องต้องเอาละว่างั้นเดีขอให้ได้พระธาตุพวกกษัตริย์กบิลพัทก็สดับว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานในเมืองกุสินารา ก็เลยส่งทูตไปหาพวกเจ้ามาลัละเมืองกุสินาราว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเป็นพระญาติอันประเสริฐของพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยควรจะได้พระสรีรทิทตาของพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างเราจะได้ทำพระสถูปและทาการฉลองพระสรีรทิทตาของพระผู้มีพระภาคเจ้ากษัตริย์ถูลีเมืองอลักปะก็ส่งไป น, นะ แล้วก็กษัตริย์โกริยะเมืองรา ม, มคามก็ส่งกองทัพไปกษัตริย์เมืองเวพรามผู้ปกครองเมืองเวททีปกะก็ส่งไปแม้กระทั่งกษัตริย์เมืองมะละกษัตริย์มะละเมืองปาวาก็ยกกองทัพไปอีกเหมือนกันนะสรุปว่าจี่กองทัพและเจ็ดกองทัพรวมเป็นแปดกองทัพกับกองทัพของกษัตริย์เมืองกุสีนารากษัตริย์พวกนั้นและพรามพวกอย่างนี้แล้วเจ้ามะละกรุงกุสีนาราก็ตรัสกับหมู่คณะนั้นว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าในปริณิพันธ์ในคามาเขตของเราเพราะฉะนั้นเราจะไม่แบ่งให้ผู้ใดส่วนของในส่วนของพระสรีระธาตุของพระผู้ตเจ้าแสดงว่าพระองค์ประสงค์จะมาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องแบ่งนะเพราะถ้าพระองค์แบ่งพระองค์ก็ต้องสั่งไว้แล้วใช่ไหมนี่พระองค์ไม่ได้สั่งอะไรเลยและพระองค์ไม่มีอะไม่อะไรแสดงว่าพระธาตุของพระองค์ต้องอยู่ที่นี่แต่ที่เดียวว่างั้นไม่ยอมแบ่งเลยทีนี้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 เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพวกถ้าหากว่าท่านไม่ให้พระรัตนะที่เกิดในคามาเขตของพวกท่านแก่เราธรรมดาว่าพระรัตนะที่เสมอด้วยพระพุทธรัตนะไม่มีในโลกพร้อมทั้งเทวโลกพวกเราได้พระรัตนะอันสูงสุดเห็นปานนี้จักไม่ยอมให้พวกท่านดื่มน้ํานมจากฐันมารดาพวกเราก็ไม่ได้ดื่มก็หาไม่ก็คือง่ายๆพูดง่ายๆบอกว่าท่านท่านก็เติบโตมาท่านก็ดื่มนมแม่มาเหมือนกันใช่ไหมข้าพระเจ้าเติบโตมาก็เพราะดื่มนมแม่